นี่เรามาเรียนหาระสัมปาตะเนี่ยนะนะหาระสัมปาตะที่มีความหมายว่าแสดงพระสูตรหนึ่งพระสูตรแล้วมาอธิบายทั้ง16หาระเนี่ยนะนะใช้ไทยพระสูตรคาถาเดียวหรือคัดสองคาถามาอธิบายคาถาเต็มๆเนี่ยนะมีอยู่อย่างเริ่มตั้งแต่หน้าไหนในหน้าหนึ่งหใช่ไหมว่าบุคคลผู้มีจิตอันไม่ได้รักษา ผูกทำลายด้วยมิจฉาทิฐิผูกทีน่ามิทะครอบงำย่อมไปสู่อำนาจของมารในหน้า124่อคาถาเดียวกันต่อว่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงเป็นผู้รักษาจิตครอบงำทีน่ามิทะมีความดำริชอบเป็นโคจรกระทําสำมาทิฐิไว้เป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วพึงละทุคติทั้งปวงอันก็มามาดูในยุติหาระสัมตาต ยุติหาระก็คือวิธีการพิจารณาหาความสมควรและไม่สมควรของสับและอัถะนี่ก็หาความสมควรดูว่าเป็นผู้มีความดำริชอบเป็นโคจรจากมีแก่ผู้รักษาจิตผู้มีความดำริชอบเป็นโคจรจากเป็นผู้มีความเห็นชอบผู้กระทําสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าจากแทงตลอดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ผู้แทงตลอดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปจากละทุคติทั้งปวงผู้ละทุคติทั้งปวงจากก้าวล่วงภัยก้าวล่วงสังสารภัยและอบายภัยทั้งปวงอันนี้เรียกว่าหาความสมควรโดยเชื่อมต่อกันเพราะผู้ที่มีความรักษาจิตก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความดําริ์ชอบเป็นโคจรดําริชอบคืออะไรคือสัมมาสังกัปปะนี่ยนะ พันผู้ที่จะรักษาจิตนี่รักษาว่าอย่างไรสมมติถ้าเราจะรักษาจิตใช่ไหมจะรักษาว่าอย่างไงเอาขังเอาโซ่เอาอะไรมาล่ามในงไงดีผูกเคี่ยนตีดา่าตำหนิตัวเองทํางั้นไหมทํำยังไงนะให้เจริญเนคข ม, มะสังกปาเจริญอภพยาปาท่าสังกปะและก็เจริญอวิหิงสาสังกปา จเจริญกุศลวิตกทั้งหลายเท่าที่จ ะ, จะเจริญได้เช่นจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติให้การสังกปะตรึกไปในพระพุทธคุณเป็นต้นหรือตรึกไปในเมตตาด้วยอํานาจของเมตตาหรือกรุณาอันถ้าจะรักษาจิตไม่ให้ถูกบาปอากุศลกลุ้ ม, มรุมก็เจริญสัมมาสังกปะให้พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าให้เลิกคิดไม่ได้แปลว่าพูดอย่างนั้น แต่ให้คิดเป็นให้เป็นกุศลวิถตกแทนแทนที่จะคิดแล้วเป็นอกุศลก็มาตรึกด้วยอานาจกุศลแทนปัญคนที่รักษาจิตจริงๆก็คือรักษาความคิดนั่นเองให้จิตเนี่ยที่เรียกว่าควบคุมเรื่องแบ่งเป็นเรื่องที่ควรคิดกับเรื่องที่ไม่ควรคิดมาคิดในเรื่องที่ควรคิดคือการคิดถึงคือคิดอะไรก็ช่างเถิดให้มันเป็นกุศลนั่นแหละถูกต้องเรียกว่ารักษาจิต มันก็รักษาให้จิตเป็นไปกับผู้ฐานุสติหรือคนที่มีพระธรรมศึกษาพระธรรมมามากแล้วให้จิตเป็นไปกับคําสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตโครจรไปในคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีความดําริชอบเป็นโครจร อ, อย่างนี้จะเป็นผู้มีความเอจกเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ني, จะมีสัมมาทิฐิเลยว่าถ้าเราเจริญสัมมาสังกปะดีอย่างไรถ้าเจริญมิจฉาสังกปะ เสียหายอย่างไรสมมติถ้าเรานึกถึงอะไรแล้วโกรธขึ้นมากับนึกแล้วเจริญเมตตาขึ้นมาเนี่ยนะในสิ่งเดียวกันเสียหายไหมสมมติว่าถ้าคิดเป็นอกุศลเสียหายไหมถ้าคิดเป็นกุศลดีอย่างไรเป็นต้นเนี่ยก็จะแยกแยกออกว่าคติหรือที่ไปของกุศลสังกัปะคืออะไรคติที่ไปของอกุศลสังกัปะคืออะไรถ้าเราคิดแล้วโกรธ เสียหายแค่ไหนถ้าคิดแล้วมีเมตตามีประโยชน์อย่างไรอันนั้นแหละเรียกว่าคนมีสัมมาทิฏฐิรอบรู้นะรอบรู้ว่านะเคยได้ยินนะว่าอากุศลวิตกย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อความคับแค้นอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะทำให้ปัญญาทุรพลทุรพลเนี่ยแปลว่าหมดเรี่ยวหมดแรง ทำให้ปัญญาหมเรียวโมแรงไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานานะทำให้ไกลาจากพระนิพพานตรงกันข้ามถ้าเป็นกุศลวิตกตรึกเป็นไปกับกุศลให้ตรึกด้วยอำนาจกุศลจิตการที่ตรึกไปด้วยอำนาจกุศลจิตไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทําปัญญาให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เป็นไปเพื่อความคับแค้นกุศลวิตตกเหล่านี้เป็นไปเพื่อพระนิพพาน ันถ้าเราสามารถให้จิตเป็นไปกับกุศลวิตกได้อย่างนี้บ่อยๆเราจะรู้เลยว่าถ้าตรึกเป็นกุศลมีอุปการะคุณอย่างไรถ้าตรึกเป็นอกุศลมีโทษอย่างไรเพราะคนที่พูดคนที่ตรึกเป็นกุศลวิตกมากๆตรึกด้วยอานาจเมตตา ม, มากสัมมาวาจาก็จะออกมาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นต้นก็จักเจริญโงกเงยไปอย่างนี้ แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเป็นอกุศลมิตกล่ะเมื่อตรึกเป็นอกุศลมิตกอะไรจะเกิดขึ้นมิจฉาวาจาก็ตามมาสมมติไนดะคิดง่ายว่าถ้าเรานึกไม่ชอบใครสักคนอย่างนั้นะนึกไม่ชอบบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าเจอหน้าเราจะชมเขาไหมแล้วทําไงตามสมควรแก่ว่าเราโกรธแค่ไหนใช่ไหมตามสมควรแต่ว่าเราไม่ชอบแค่ไหนไม่ชอบมากก็ว่ามากไม่ชอบน้อยก็ว่าให้น้อยเป็นต้นเนี่ยนะก็สุดแท้แต่ว่า ความดํางเดชของเราเป็นยังไงถ้าเราตรึกเรื่องใดบ่อยๆเดี๋ยวคาพูดประเภทนั้นจะหลุดออกมาเราคิดถึงอะไรบ่อยนะเดี๋ยวจะพูดถึงสิ่งนั้นเนี่ยนะเวนไวแต่ว่าผู้ที่มีปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดตามที่เขาตรึกสักเท่าไหร่คือหมาย ว, ามว่าเขาตรึกในเรื่องใดมากก็ไม่ได้แปลว่าเขาเอาเรื่องนั้นมาพูดมากถามว่าทไมเขารู้การเรียกว่าเป็นกาลวาทีบุคคล แต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยก็พูดตามใจของตัวเองซะส่วนใหญ่ไม่ใช่กาละวาทีบุคคลว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเป็นต้นเนี่ยนะแต่พวกที่เป็นอ่าพวกที่ที่เป็นเนี่ยนะเขาไม่ใช่ว่าอย่างพระพุทธเจ้าไปเจออะไรมาพวกเอาออกมาเล่าหมดเลยใช่ไหมไม่ได้เล่าไปทุกเรื่องอะไรหรอกนี่ก็เหมือนกันผู้ที่มีสัมมาสังกัปะมากมแต่โดยปกติทั่วๆไปแล้วก็จะมีสัมมาวาจาแต่พอสมนั้นสัมมาทิฏฐิ เนี่ยนะโดยที่มีสัมมาสังกปะเป็นอุปนิสัยสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นอะไร mm. เมื่อตรึกเป็นเนคข ม, มะวิตกมากๆตรึกเป็นอัพยาปาทัศวิตกมากๆหรือสัมมาสังกปะแบบนี้บ่อยๆกรร ม, มสกตาสัมมาธิฏฐิก็จะเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อกรรมสกตาสัมมาธิฏฐิเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปจะรู้แจ้งแทงตลอดความเกิดและความเสื่อมนะ ถ้าเราตรึกเป็นสัมมาทิฐิขอตรึกเป็น อ, อัพยาปาท่าสังกปะนําเกิดที่ไหนถ้าตรึกเป็นมิจฉาสังกปะนําเกิดที่ไหนก็ไอการที่แยกอย่างนี้ได้เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฐิทีทนี้ถามว่าที่เกิดณนะที่ น, นั้นจะเกิดโดยอาการเท่าไหร่ถ้าจะไม่เกิดที่นั้นจะไม่เกิดโดยอาการเท่าไหร่เขาก็ตรึกต่อไปนี่แหละเรียกว่ารู้ความเกิดแล้ว ความเสื่อมรู้ความเกิดขึ้นในวัฏฏะเกิดด้วยเหตุเท่าไหร่ถ้าจะไม่ปฏิสนธิจะไม่เกิดในวัฏฏะเป็นต้นจะไม่เกิดด้วยอาการเท่าไหร่นี่แหละเรียกว่ารู้ความเกิดและความเสื่อมผู้ที่รู้ความเกิดและความเสื่อมจะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเขาก็จะละทุกขติทั้งปวงได้ผู้ที่ก้าวล่วงทุกขติทั้งปวงก็พ้นจากสังสารภัยภัยคือขันธธาตุอายตนะจะพ้นจากอบายภัย นะสรุปว่าพ้นจากวัตรทุกข์โดยประการตั้งปวงถ้าใครควรไปตามนี้แหละนะเรียกว่าสมควรแต่ถ้าไม่กล่าวไปตามนี้ถือว่าไม่สมควรนะความสมควรเนี่ยโดยชอบธรรมโดยถูกต้องสรุปความสมควรคืออะไรถ้าไล่มาตามลําดับนะคนที่รักษาจิตดีจะมีความดําริชอบคนที่มีความดําริชอบจะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคนที่มีสัมมาทิฏฐิชอบจะรู้ความเกิดและความดับ ผู้ที่รู้ความเกิดและความดับจักละทุขติผู้ที่ละทุกขติจะพ้นจากสังสารภัยและพ้นจากอบายนั้นก็จะเป็นเชื่อมเชื่อมกันแบบนี้ใช่ไหมมีมีอยู่ต่อการกี่ต่อ 1. เป็นผู้รักษาจิต 2. จํด âm ตชอบเป็นโครจร 3. เป็นผู้ที่มีความเห็นชอบ 4. เป็นผู้ที่รู้ความเกิดและความดับ 5. จะละทุขติห ล่วงพ้นจากภัยทั้งปวงเนี่ยนะมันก็ข้อปฏิบัติจะเป็นไปตามลําดับถ้ากล่าวอย่างนี้สมควรเป็นเรียกว่าสมควรแก่อัฏฐะเนื้อความแต่ถ้าไม่อธิบายตามนี้ยุติไม่ได้ยุติแปลว่าอะไรแปล ว, ว่าสมควรหาความสมควรว่าขั้ความสมควรของคําสอนเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรต้องหาความสัมพันธ์ให้ได้ไม่งั้นก็กลายเป็นคําสอนที่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดนึกอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อย พระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะนะไม่ใช่คนเมานะคนเมานึกอะไรก็พูดไปเรื่อยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพุทธพจน์ของพระองค์ที่พระองค์ตรัสจะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเริ่มต้นที่ไหนท่ามกลางคืออะไรและที่สุดคืออะไรปกติแล้วผู้ที่แสดงธรรมธรรมกรถึกทั้งหลายหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์แสดงศีลเป็นเบื้องต้นแสดงสมถวิปัสนาอริยมรรคเป็นท่ามกลางแสดงพระนิพพานเป็น ที่สุดเนี่ยนะมันก็คําสอนนี้ก็ต้องเป็นไปตามนี้อยู่แล้วจึงจะสมควรถ้าไม่เป็นไปตามนี้แสดงว่าไม่สมควรเนี่ยนะหาข้อยุติให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะจะต้องรู้จักหาข้อยุติให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็บางคนก็บอกโอ้โหธรรมานิมันเยอะแยะมากมาเยอะแยะมากมาเยอเยอะเยพูดอย่างนี้ทําไมจะเลิกอยู่แล้วล่ะเรื่องเลิกแต่ว่าจริงๆแล้วเยอะก็จริงแต่ทุกๆคําสอนจะมีเบื้องต้นท่ามกลางแล้ว ที่สุดเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็มีอยู่เท่านี้พยายามรละลึกไว้เสมอว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเหมือนการเล่นต่อจิ๊กซอนั่นแหละเนี่ย น, นะบรรการพิจารณาแบบนี้ได้ก็เป็นยุติหาระมาดูประฐานหน้าหาระเหตุใกล้เหตุใกล้วิธีพิจารณาประฐานคือเหตุใกล้คาถาเดียวกันนขายตลอดไปันตลอดหาระสัมปาตะทั้งหมดเนี่ย รักษาจิตพงพิงเป็นผู้รักษาจิตครอบงามทีน่ามิทธะมีความดําริชอบเป็นโคจรธรรมธรรมสัมมาธิฏิไว้เป็นเบื้องหน้ารู้ความเกิดความเสื่อมจะละพ้นจากทุคติตั้งปวงอันนี้ใช้อีกงดสิบหาระเนี่ยนะอธิบายว่าภิกษุที่รักษาจิตมีความดําริชอบเป็นโคจรอันนี้เป็นปัจจฐานาหารสัมปาตะหมายคำว่าผู้ที่รักษาจิตเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสุดจริตสาม นะถ้ารักษาจิตให้ดีๆเนี่ยนะถ้ารักษาจิตดีเนี่ยเป็นเหตุไรให้เกิดอะไรสัมมาวะ อ, อะไรนะกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตคนที่ไม่รักษาจิตเนี่ยนะจะปล่อยปล่อยทุจริตให้รั่วออกมาถ้าผู้ที่รักษาจิตดีทุกอย่างที่เขาทําจะเป็นกายสุจเรตวจีสุจเรตมโนสุจริต อันนี้การการเป็นผู้รักษาจิตเป็นเหตุใกล้ของสุจริสาผู้ที่มีความด âm ฤตชอบเป็นโครจรล่ะตรึกด้วยกุศลสังกปะไปเรื่อยเรื่อยเื่อนี่เป็นเหตุใกล้ของอะไร<อ>เหตุใกล้ของสมถะเป็นประทัดฐานของสมถะเพราะว่าความด âm ฤตชอบเป็นโครจรเมื่อตรึกเช่น ตรึกไปในพุทธคุณมากๆก็เป็นสมถะตรึกไปในเมตตามากๆก็เป็นสมถะตรึกไปด้วยอำนาจกรุณาเป็นต้นมากๆก็เป็นสมถะพั้นความดําริชอบหมายคําว่าปล่อยใจให้เป็นไปกับดําริชอบอันนี้เป็นสมถะผู้ที่กระทําสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าอันนี้เป็นเหตุใกล้ของวิปัสนาเป็นเหตุใกล้ของวิปัสนาใช่ไหมทํากรรมมัศกาสัมมาทิฏฐิไว้เป็นเบื้องหน้าต่อ เพราะว่ากรรมมสการตาสัมมาทิฏฐินั่นแหละเรียกว่ายาถาภูตยานทัศนะคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็มีการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารในอดีตก็ล่วงไปแล้วในอดี ต, ตแตกทําลายไปแล้วในอดีตเสื่อมไปแล้วในอดีตสิ้นไปแล้วในอดีตสังขารที่จะมีในอนาคตก็จะสิ้นจกเสื่อมต่อไปในอนาคตสังขารที่อยู่ในปัจจุบันก็กําลังสิ้นกําลังเสื่อมอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่า สังขารที่สิ้นเสื่อมไปก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยเป็นไปตามกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเพราะการที่ทํากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไว้เบื้องหน้าอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้เจริญตีรณปริญญาผู้ที่รู้ความเกิดและความเสื่อมการรู้ความเกิดและความเสื่อมเนี่ยนะมีความรู้อุทยพ ย, ายาัญาาอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งโสดาปฏิมา ศาสนาภูมิคือโสดาปฏิมาศพิจารณาความเกิดขึ้นของวัตตะและพิจารณาความดับไปของวัตตะเนี่ยวัตตะจะเกิดเกิดโดยอาการอย่างไรถ้าวัตตะจะเสื่อมเสื่อมได้อย่างไรคําว่ารู้ความเกิดเนี่ยนะอุทยะเนี่ยนะก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยโดยอนุโลมถ้ารู้ความเสื่อมก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมพันมองทุกอย่างเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ การหมั่นพิจารณาแบบนี้บ่อยมากเป็นเหตุใกล้ให้ทัศนภูมิคือโซดาปฏิมักเกิดขึ้นเป็นเหตุแห่งโซดาปฏิมักผู้ที่ครอบงาทีนะมิธะได้นี่เป็นเหตุใกล้ของของอะไรวิรยิรยะเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของความเพียนนะคนขี้เกียจเนี่ยนะมันนั่งแล้วมันซึมซึมง่วงไปเรื่อยเนี่ยนะออกมาเป็นประจำเลยันถ้าไม่คิดธรรมะเดี๋ยวก็ซึมซึมเวก็หลับละ การครอบงําทีนามิทาอั น, นี้เป็นชื่อของความเพียนนี่นะส่วนละคติละทุคติทั้งปวงอันนี้เป็นเหตุใกล้ของภาวนาภาวนาก็คือสกทาคามีมัจอนาคามีมัจและอรหัตตมัจมันคำว่าละทุกคติในที่นี้หมายถึงว่าการเจริญมัคคภาวนาทั้งหลายมีสกทาคามีมัจเป็นต้นจนถึงทำที่สุดแห่งวัตถทุก์อันนี้พูดถึงเหตุใกล้นะโทษอีกครั้งว่าคนที่รักษาจิตดี เป็นเหตุใกล้ให้สุดจริญสามเกิดคนที่เจริญสัมมาสังกัปปะบ่อยๆมากๆเป็นเหตุใกล้แห่งสมมตถ้านำทำปัญญาไว้นําหน้าเป็นเหตุใกล้ของวิปัสสนาถ้ารู้ความเกิดและความดับเป็นเหตุใกล้ของโสดาปฏิมาถ้าครอบงำทีน้มิทะเป็นเหตุใกล้ของความเพียรถ้าละทุกขติทั้งปวงก็เป็นเหตุใกล้ของสกทาคามิมัสเป็นต้นมันก็แสดงว่าฟังธรรมทุกอย่างในนะคำเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอะไรคําเนี่ย เป็นเหตุใกล้ของอะไรหรือทำที่เราพูดมีอะไรเป็นเหตุใกล้มาจากไหนเป็นต้นเนี่ยนะ